Book two. <S 2สิบเอ็ดเดือนเดือนมมมกราคมกราาคมมรกรมกามมา ฟอร์รีฟรรีมีนาคมมาร์ชมาร์ชเมษายนเมษายนพฤษภาคมมิมถุนายน จูนม <June. S 2> <June. S 1> ีอยู่หกเดือนเย่ชั้นเดือนเฮ้เย่ชั้นเดือนเฮ้มักกะลาคมกุมภาพันธ์มีนาคม มาเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนเมษายนมิถุนายนกรกฎาคมเจลยยสิงหาคม อุกัสต์กันยายนสิทัมเบตุลาคมอ็อกตูเบอร์พฤศจิกายนนาวมเบอร์ธันวาคม เดซัมเบอร์เดซัมเและยังมีอีกหกเดือนด้วยยีบีชั่งมห ह นย์เฮงยีบีชั่มกักรกดาคมสิงหาคมกันยายนกับอร อุกฤษตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมอกตุเบนาวมดัมบรกนวัมบร